ในช่วงอ่าคุยธรรมะกันในวันนี้อาตมาพระไปบุญก็จะพูดถึงสตินั่นเองเนี่ยเป็นคํา นะว่าให้นิยามเอาไว้เนี่ยโดยพุทธวจนะที่พระนี่เรียกว่าสติ ทีนี้อย่างเรามาระลึกถึงเนี่ยอ่าถ้าพูดถึงอานาปานสติอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาๆใช่มะเรานึกถึงเรื่อง นะก็คือมันนึกถึงลมหายใจนั่นเองเนี่ยหรือว่าถ้าเราบอกศีลานุสติอ่ะคุณก็นึกถึง 10 อย่างใช่มั้ยอานาปานสติ นะหรือแม้แต่สติปัฏฐานทั้ง 4 เนี่ยอย่างปัฏฐานปัฏฐานเนี่ยก็แปลว่าฐานที่ตั้งตนเองนั่นก็คือฐานที่ตั้ง 4 อย่างอย่าง คือเราเราสามารถมีอยู่ได้ 4 อย่างนั่นคือเราจะมา 4 อย่างนั่นก็คือเอ่อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่มั้ยคือ กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เรานึกขึ้นได้ว่าโอ้ดิฉันจะต้องไปทําสิ่งนี้ตรงนั้นคือคุณคุณนึกไปถึงสิ่งนั้นล่ะคุณก็สิ่งออกไปสิ่งที่เราอยู่ปุ๊บอยู่ต่อไปหรือว่าเราอยู่แต่ใจของเราไปทางอื่นแล้วนั่นคือเราระลึกถึงไปสิ่งนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราบอกว่าระลึก อย่างเราจะถูกเค้าด่าถูกมีความโกรธมีความเกรียดมีความไม่พอใจกุ่นเคืองเรานึกถึงลมหายใจเลยนึกถึงลมหายใจปุ๊บ ออกมาแล้วมันก็จะมาอยู่สักฐานที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่นะพระพุทธเจ้าให้ไว้หลายอย่างนะใช้กายก็ได้ใช้อานาปานสติถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะ นะพุทธานุสติอย่างนี้ทําแล้วเสร็จพอไอ้ตรงนั้นมันหายไปละลายไปใช่มั้ยไอ้สิ่งที่เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ๆโดยเพราะว่า เรามารู้หมายใจทันทีแล้วพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยใจของเรามันจะหลุดออกมาจากตรงนั้นได้อย่างน้อย เขาคุณจะไปคิดบ้าบอนั่นนี่เอาไม่นั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นมันไปคิด เออกันดําเนินต่อเนื่องต่อไปกันเนี่ยก็ชื่อว่าหมั่นรู้นั่นเองก็ได้คําว่ารู้เฉยๆนั่นน่ะทีนี้พอเรามารู้มีสติอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอ่าสติตรงที่ว่าเราพูดถึงอานาปานสติ มันตรงไหนก็แน่นึกถึงหลุมมา นําบอกว่าถ้าจะนึกถึงพุทธชาติเนี่ยให้นึกถึงนะเหตุที่ทําให้พระองค์เนี่ยมาเป็นพุทธชาได้นะ เป็นผู้ที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นผู้ที่สามารถฝึกบรรลุได้อย่างเงี้ยเรามานึกถึง ตรงนี้ภาษาบาลีก็ใช่ว่าปะริมุขังนะปะริมุขังคือเฉพาะหน้านั่นเองแล้วเฉพาะหน้ามันตรงไหนก็แน่นะพระ เอาชักคันเลื้อยเข้าเลื้อยออกเนี่ยนะเค้าก็จะต้องช่างไม้เนี่ยเค้าก็จะต้องมองดูที่จุดสัมผัส ในโปร่งจมูกนะคือเราต้องทําความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอ่าทางๆบ้านเรือนต่างๆเนี่ยมัน 20 30 คันอย่าง นาสเข้าไปจอดปุ๊บคนขึ้นคนลงได้เป็นร้อยคันตรงนั้นนั่นคือลักษณะของหน้ามุกนั่น เพราะเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้เฉพาะหน้าตรงปริมุขกลางนี่แล้วถ้าเราสัมผัสรับนายทวารเฝ้า ก็เฝ้าอยู่เนี่ยเราเห็นยามตามสถานที่ตามห้างสินค้าตามสถานที่ราชการตามหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเขา <c oughs> อย่างนี้ถึงจะถูกนี้ถึงจะถูกอย่างนี้สิเรียกว่ามีสติอยู่เฉพาะหน้าอ่าอย จิตมันก็มีหน้าที่รับรู้รับรู้เสียงบ้างรับรู้ความคิดบ้างรับรู้อื่นๆอีกมันก็ธรรมดานะที่เราเดี๋ยว ที่ตำแหน่งเฉพาะหน้านี่เองตำแหน่งเฉพาะหน้าคือด้านหน้า สามารถรับรู้สัมผัสได้ดีโดยซ้ําในเวลาที่อากาศมันผ่านเข้าออกเนี่ยยังไงเราก็รู้นะ มันก็จะเกิดเราก็เอาจิตของเราเนี่ยไปรู้อยู่ตรงนั้นอาการที่ๆทําไปและเพราะเรามี สิ่งนั้นจะค่อยอ่อนแรงลงไปได้ในจิตเราค่อยมีกําลังขึ้นได้สิ่งนั้นก็อ่อนๆแค่เรามาๆนะไอ้การทําตรงนี้ก็ นะเราคิดนึงมันหลุดไปบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะให้เรามานึกได้เมื่อ แล้วก็